สิกขาบทที่4ภิกษุณีไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้ได้รับความลำบากต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี